พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26ตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่าธรรมคือน้ำดับไฟวันนี้เป็นวันที่26สหก ตุลาคมพุทธศักราช2554วันพระแรง14ค่ำเดือน11วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งในพรรษาและนอกพรรษานอกพรรษาก็รู้สึกจะน้อยลงแต่ในพรรษาก็รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมเสียสละด้วยทั้งจิตทั้งใจทั้งจิตอธิษฐาน ว่าสามเดือนจะรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาดก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นพอออกพรรษาก็รู้สึกว่าล่อยหลอลงมากแต่ในพรรษารู้สึกว่ามากนอกพรรษาก็ลดลงแต่ถึงยังไงนอกพรรษาหรือในพรรษาพระของเราไม่มีการยกเว้นละเว้น ตั้งแต่เริ่มแรกการสร้างวัดมาพวกเราทำอยู่อย่างนี้มาตลอดทั้งในพรรษาทั้งนอกพรรษาแต่ก่อนหน้านี้พวกเราก็เปิดธรรมเทศนาของหลวงตาฟังเพื่อเทศกูบายจารย์องค์ไหนฟังแต่ทุกวันนี้สถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตา ก็เปิดดังไปทั่วทุกหัวละแห่งอย่างวัดของเราก็มีสถานีวิทยุเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้เน้นหนักเรื่องธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอพวกเราเปิดเวลาไหนก็ได้ฟังเวลานั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้แนะแนวความคิดของหลวงพ่อเองให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะหลวงพ่อไม่ได้พูด ทั้งวีทั้งวันมีแต่ตอนเช้าเราก็ได้พูดแล้วก็วันพระอย่างวันนี้ก็ได้พูดเป็นแนวทา ง, างการประพฤติธปฏิบัติขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเรื่องศีลและวินยัยตั้งไหวพระสงฆ์ศีลและวินยัยให้เข้มงวดกวดขันอย่าให้ขาดตกบกพร่องสำหรับศรัทธาญาติโยม ผู้รักษาศีลก็เหมือนกันพวกเราอายุผู้สูงอายุแล้วเราก็ควรจะใส่ใจพราะเราการงานอย่างอื่นเราก็ทํามาจนมากพอแรงแล้วข้าจะรวยคงจะรวยกว่านี้ไปแล้วถ้าจะจนก็คงจะจนกว่านี้ไปแล้วแต่บัดนี้มันเพียงแค่นี้แหละแค่ไหนก็รู้แก่ตัวของเราเพราะนั้นถึงข้างนอกจะขาดตกบกพร่อง แต่ศีลธรรมบุญกุศลภายในใจที่จะสะสมเก็บรวบรวมที่พวกเราจะเดินต่อไปภายภาคหน้านั้นอย่าให้ขาดตกบกพ่องจุดนี้แหละสำคัญแต่สิ่งภายนอกได้บางเสียบางสิ่งเหล่านั้นเราก็จะทำยังไงได้มันผ่านมาแล้วแต่ต่อไป เรื่องศีลธรรมเรื่องไหว้พระสวดมนต์หรือความมารักษาศีลทุกวันพระอย่างนี้อันนี้เราก็อย่าได้ให้ขาดพยายามเก็บหอมลอมริบไปเรื่อยๆ อ, อันนี้แปลว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตของตนเองแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจมันก็ห่างเหินไปเรื่อยๆเดี๋ยวสนิมมันก็เกิดขึ้นในใจเกาะใจไปเรื่อยๆผลในที่สุด ก, ก็เกล ไปในทางไปทางต่ําใครเขาว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทางต่ํามันมันไหลได้ง่ายทางสูงเนี่ยทางขัดเกลว์เนี่ยมาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยมันมาได้ยากเดี๋ยวกัเรื่องนั้นเดี๋ยวกับเรื่องนีนเเงนเ้เรื่องอันไหนกับมาสู่จิตใจของเราหมดเป็นเรื่องขัดเรื่องคล่องไปหมด เรื่องไม่พอใจพอใจไม่พอใจกับคนนั้นไม่พอใจกับคนนี้เรื่องนั้นบ่เรื่องนี้เรื่องวัดเรื่องพระวะเลื่องครูบาอาจารย์ผูดไม่น่าพูดกับผูดจยางโนดอย่างนี้กิเลสมันตีโพยตีภายไปหมดนั่นนหะเพราะเหตุดเพราะมันไม่อยากจะเข้าสร้างสั่งสมบุญกุศลมันจะไปทางชั่วช้าลามกจกเปรดเนี่ยมันจะต้องหาเรื่องออกค่ะแต่ถ้าว่าเรา เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในทรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่ต้องเกียงงอนถึงใครในจกักรวาลเนี่ยใครจะเข้าไปในกองไฟก็ต่อข่าแนละ้วไม่ยอมเข้ากองไฟเด็ดขาดเนะ่ยพอเข้ากองไฟมันร้อนแต่มันทุกข์ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าว่าเราปล่อยปละละเลยเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลก็เมื่อเราปล่อยตัวเข้าไปในกองไฟ เพราะนั้นเราจะยอมไหมถ้าเราไม่ยอมกว่า น, นั้นอ่ะต้องต้องหาน้ําดับไฟน้ําดับไฟก็คือคืออะไรก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าศินและธรรมเนี่ยแหละคือน้ําดับไฟดับไฟกิเลสโลภโกรธหลงในจิตในใจของเราแต่ถ้าว่าเราส่งเสริมไปทางกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงแล้วมีแต่ไฟเผาสุมก็ตนเอง มีแต่บ่นว่าร้อนร้อนร้อนคทุกทุกไม่ได้อย่างใจตนเองและใครล่ะเป็นคนสุมใครเป็นคนก่อไฟในใจของเราไม่มีใครเรานอกจากตัวของเราเอาไฟเผาตัวเองเท่านั้นเองเอาไฟสุมแต่ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองเผานั่นคืออะไรก็คือปล่อยจิตปล่อยใจคิดว่ามันจะมีความสุขคิดไปในทาง กิเลสดูตาใช้ไปในทางกิเลสหูใช้ไปในทางกิเลสใจใจคิดไปในทางกิเลสส่งเสริมกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงเข้าสู่จิตใจคิดว่ามากเท่าไหร่จะมีความสุขมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์แท้แน่มันอัดแน่นเข้าไปเรื่อยๆกิเลสโลภโกรดหลงราค ะ, าคะเข้าไปในจิตใจแล้วจะหาความสุขได้อย่างไร พระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาให้เรียนรู้จากนั้นก็ให้ถอดถอนให้ปล่อยวางจะปล่อยวางจะไงยึดอะไรยึดธรรมะยึดหลักเหตุผลปล่อยวางอะไรปล่อยวางกิเลสราคะคืออะไรคือราคะอะไรคือโทสะอันไหนคือโมหะ น, นี่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษา ก็ศึกษาแล้วก็นํามาประพุทธปฏิบัติกําจัดไปธีละน้อยละน้อยอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายทํำนี่แหละถ้าพวกเรามีแต่คิดหาทางโลกตีโพยตีพายตําหนิคนนั้นตนําหนิคนนีน้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีครูบาอาจารย์ใหม่เป็นอย่างงุนอยนี้วัดวาศาสนาะพอในสุดตัวเองก็ตีออกไปก็ห่างพอห่างเข้าไปแล้วมันเป็นผลดีไหมไม่ไม่ไม่เป็นผลดี สรุปแล้วก็คือตัดหนามทับทางตนเองไมเ่เข้าไปเข้าไปสู่คุณงามความดีแล้วก็หันหน้าไปสู่อบา ย, ยภูมิถึเนีสร้างไหนไปทางต่ำทางไหนจะเป็นทางนรกนะรื่นอะไรถึงเนี่อพอเรื่นเข้าไปแล้วเป็นยังไงนู่นละ่ะนาทีสุดท้ายเนะี่ะจุนจว น, จวนวนะเท่านั้นเขาบอกให้กินขี้หมากก็กินไปเขาให้กาบเลยก็กาบหมด เพราะอะไรเพราะกลัวตายฮชแต่พวกเราหนึ่งกลัวไหมกลัวทําไมจะไม่กลัวกลัวตายแต่ถึงยังไงพวกเราไดคิดไว้ก่อนแนละ้วถึงยังไงพวกเราได้คิดไปแล้วเตรียมตัวไว้แล้วอคิดไว้แล้วพร้อมแล้วมาก็มาเถอะเพราะเราได้ตั้งอกตั้งใจไปแล้วแต่เราไม่สู้เราไม่หานเราไม่เก่ง ไม่ใช่ของหานไม่ใช่ของกล้าแต่ต้องเรียนรู้เอาไว้ควรจะทํำยังไงควรทําใจยังไงเมื่อภัยมาาหันตะไพรเขามาหา ต, ตัวของเราเราควรจะหลบยังไงเราจะคิดยังไงเราจะปล่อยวางยังไงเราจะสู้ยังไงทําใจยังไงในจุดนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ให้ยึดไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจให้ดูใจเพราะมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรา ยังไม่เกิดทุกคนถึงจุดจบมาไม่ต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปหลีกห น, นีไม่ได้เราต้องรับต้องสู้อย่างนี้นี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนทิพของพ่ อ, พ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนำฟังดูสิที่ท่านได้แนะนำในเทปในเอ็มพสามอย่างลวงตาเนี่ยท่านพูดอะไรอย่างเดีดเดยวแต่ผลที่สุดท่านก็ยังไปตาม วัฏสงสารธาตุสี่ขันธ์ห้าดินน้ำลมไฟก็ต้องไปตามสภาพไม่ว่าแต่องคลวงตาเรานะพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นผู้วิเศษตรู้ท่านก็ต้องถึงเข้าจุดตินิพพานแต่ว่าท่านตายกับเราตายนมะันต่างกันนะพระพุทธเจ้าที่ท่านละขันท่านรู้ทุกแนวทางไปเลย เฉอนุปาทิเสสนิพานเนี่ยท่านเข้าสู่นิพานแต่บ่ดับาธาตุขันทั้งหมดพอแม่ครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันท่านเข้าสู่นิพานอนุปาทิเสสนิพานาธาตุขันร่างกายของท่านดับใจของท่านเข้าสู่นิพานแต่พวกเราเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นจ้ะพวกเราเนี่ยตายแตกตายร่างกายตายดับ แต่จิตใจทุรนทุลายอเออเค็ดไปในทางบาปอกุศลพอได้ทำบาปอกุศลเอาไว้พอตายไปนี่นกันอ่ะกูอาบาปอกุศลก็เข้ามาล็อกวิญญาณล็อกใจของเราลงไปสู่นะัตตกนรกหมกไหมหลุมไหนเฮเราทำอ น, นอนันตริยกรรมไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ไหมฆ่าฆ่าพระหันไหม ทำโลหิตตุบาทไหมจู้ยงสงให้แตกกันไหมหรือบาปอะไรฆ่าผู้ฆ่า ค, าคนไหมฆ่าสัตว์ที่มีพระคุณไหมสิ่งเหล่านี้อกรรมชั่วทั้งหลายที่เราทำไว้นั่นมันอยู่ในบัญชีทั้งหมดเ่ยกรรมชั่วทั้งหลายมันกับมะลุมล็อกเลยล็อกวิญญาณล็อกใจดวงนั้น ใจของพวกเรานะ่ที่ทำกรรมชั่วไว้นะพาไปตกนร ก, มกหมกไหมไปใช้กรรมนะไม่รู้สักเท่าเท่าไหร่จรึงจะหลุดพ้นออกมาได้เพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำอย่าไปลิธทมถ้าทำไปแล้วจะเดือดร้อนต่อไปภายภาคหน้าฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่มาสู่วัดวาศาสานาเพื่อศึกษาธรรมะสรุปแล้วก็คือเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเก็บหอมลอมริบไปเรื่อยๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทําถ้าใครไม่ทําก็ถจะใครไม่ทําก็สุดแท้แต่ข้าจะทำํำของใครของเราถึงจุดนั้นแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉลือเผื่อแพ่กันได้มันถึงจุดจบจุดนั้นแล้วแต่มีแต่เดียวนี่นะมีแต่แนะนําสั่งสอนกันให้คิดอย่างนี้นะ้ะให้ทําอย่างนี้เนะให้พูดอย่างนี้เนะ ให้ปีติมีธรรมในจิตในใจอย่างนี้หนะ้าให้เป็นผู้เสียสละอย่างนี้หนะ้าให้เป็นผู้เมตตมีเมตตาอย่างนี้หนะ้าให้เป็นผู้มีน้ำใจอย่างนี้หนะ้าให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบอย่างนี้หนะ้าให้พิจารณาร่างกายสังขารเป็นอย่างนี้นะ้ามิจะแนะนำสั่งสอนกันแต่เมื่อผู้ที่ไม่เชื่อหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมันก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเรา เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็กันกรองไตรตรองเหตุและผละเราไม่ใช่เชื่อง่ายๆอย่ายไปแบบหัวอ่อนจะไปแบบหัวแข็งเราต้องหัวเหตุผลเราต้องใช้เหตุผลต้องฟังกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนั่นนะคือนีละลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะเดี๋ยวจะให้ครูบา เปิด MP3 ให้ฟังนั่งสมาธิไปด้วยหลังจากนั้นค่อยแยกย้ายกันกลับเขานั่งสมาธิ